ตอนอบรมครัคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กันยายนถึง5ตุลาคม2558ตอนที่หเกี่ยวกับร่างกายสังขารแล้วไม่ได้เป็นจากกำเนิดนะมันเป็นอุปทานเสว่าเด็กๆบางทีเขาช็อคเขาจะฝังความกลัวนั้นไปเห็นยิ่งยิ่งตำแหน่งหน้าที่ต้องการพูดกับคนหมู่มากพอครั้งแรกที่ตกมาตายพูดไม่ได้เนี่ยเขาจะฝังใจ นะเขาจะเกิดความประมาะความกลัวเห็นไมอันนี้เป็นพฤติกรรมแล้วก็ติดมันแล้วก็กลัวกลัวกลัวทีนี้วิธีละลายพฤติกรรมก็คือไม่ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำต้องเลิกเป็นฝ่าบาทซะแล้วสุดท้ายเนี่ยที่สำเร็จได้เพราะว่าเป็นคนธรรมดาและนับเขาเป็นเพื่อนลวอันนี้เป็นอัตรานะชีวิตเราทุกวันนี้บางทีเราทุกข์กับสิ่งนี้นะ โดยที่ไม่มีสาเหตุเราคิดเราเองนะภาษาอังกฤษมีคํานึงซึ่งนักปราชญ์ทางฝรั่งเศส เ, เขาบอกว่า I think t h e r e for e I am นะฉันคิดฉันติงเป็นถูกครึ่งหนึ่งนะทีนี้เราก็มาแก้ที่ว่าเราคิดเราคิดดีเราก็รู้สึกดีเราคิดชั่วรู้สึกชั่วเราคิดว่าเราเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นเราคิดว่าเราเป็นคนพูดติดอ่างเราก็เป็นคนติดอ่าง ใช่ไหมส่วนมากตอนนี้เนี่ยเราเราก็เอาคํานี้เนี่ยปัญญาตัวนี้ไปทั่วโลกแล้วล่ะเราเลยมาแก้ที่ความคิดเราเลยมาคิดบวกนะเราแก้ที่อย่าคิดลบจ้คิดบวกนะอันนี้เป็นอุปทานใหม่นะเราสร้างอุปทานใหม่มากรอบเกินอุปทานเก่าเท่านั้นเองมันไม่ได้หายเหมือนเรากินยาพลาทีนี้ไอสาที่เราทําอยู่พระเจ้าสอนให้แก้ที่ต้นเหตุของมันนะไอติ้งเด e ร์ฟอร์ไอเจริงๆแล้วเนี่ย I am there for I think เพราะมีเราเราถึงคิดเข้าใจไหมมีอัตตามีตัวเราเนี่ยเราจึงมีคนคิดว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่แต่ถ้าเราแก้โดยที่ว่าเราฆ่าตัวเราทิ้งซะถ้าในทางจิตวิญญาณนะเราทำลายอัตตาเข้าสู่สุญญาตาคือว่างจากอัตตาเราก็ไม่ต้องคิดเลยนี่คือแก้ที่ต้นเหตุนะเพราะครูถึงเห็นว่าเฮ้ย hey, แก้วเห็นไหม เห็นไหมเขาทําอะไรก็ช่างที่ว่าทําลายอัตตาเขาแล้วหมอคนนี้เนี่ยไม่ตามใจเลยสูบบุหรีไม่ให้สูบไงแต่ถ้าเขาไม่มีบุญมะเขามีอัตตาเขาก็ไม่ยอมนะเนื่องจากว่าเขาเห็นผลแล้วเวลาเสียงดังๆเห็นไหมหมอให้ฟังเสียงดังๆมาอยู่กับเสียงน่ะเขาลืมอุปทานตรงนั้นเขาเขาอ่านได้ที่เราทําทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยมันแปลกบั่งมาเจอตรงนี้อันนี้เป็นประวัติศาสตร์เก่านะนะแล้วทีนี้เขาก็จิ้งจิ้งเห็นไหม เขากิ้งทำลายอัตตาทำลายตัวตนทำลายอุปทานนั้นซะไม่แหกปากร้องเราก็ร้องเห็นไหมอแก้วมันแปลกมากเลยพตัดตัดตั ด, ตดธรรมดามันมันยาวมากนะถ้าเราว่างๆก็ไม่จำเป็นหรอกดูแค่เนื้อหาว่าคืออะไรเห็นหมมันไม่่เกี่ยวกับกายภาพเลยมันเกี่ยวกับอุปทานถ้าเรามาล้างอุปทานคือเรามาเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่โดยละลายพฤติกรรมเก่าก่อน มาทําในสิ่งที่กิเลสไม่ยอมให้ทำเห็นไหมพระองค์เป็นเจ้าชายเห็นไหมต้องเรียกฝ่าบาทไม่ใช่เขาอยากเป็นอย่างนั้นนะเขาถูกสอนมาอย่า ง, ง น, นั้นน่ะเธอลบหลู่ฉันไม่ได้และทําไปถมาก็ไปติดตรงนั้นไงก็แบกหัวโขนอย่างนั้นก็เครียดไงเนี่ยพอเรามาทําอะไรที่มันมันมันมันมันไม่เคยทำนแ่แหละนี่คือการละลายพฤติกรรม ละลายพฤติกับเนาะก็อาจารย์ภูสมิงสอนอะไรๆก็มาที่นี่เหมือนกันนะ อ, อ, อาจารย์ภูสุก็กล่าพวพ่อครูเพราะว่าเขาเห็นอีกช็อตหนึ่งนะพ่อ ก, กูบอกว่าคิดบวกเนี่ยจันไรก็คิดลบอีกทีนี้ให้เราละเล่นอะไรเนี่ยโอเคก็เขาทําช่วงหนึ่งเขาทํามาตั้งนานและทีไอเนะเหมือนกับว่าเออเรามีความสัมพันธ์ระดับหนึ่งคล้ายๆมันเป็นระดับสั ม, มถกรรมาถานเราเล่นกันนะแต่พอกลับไปปุ๊บ เจอความเครียดอีกมันก็เป็นเหมือนเก่านะแต่พอมาเวียงเบียงเบียงปุ๊บเนี่ยเขาเวียงไปแล้วเนี่ยเขาแก้ที่ต้นเหตุของมันล้างอุปทานซะทำลายอัตตาแต่ตอนที่เราใช้จิตกับวิสยาเออมาท่วมสัมพันธ์ เ, เล่นเกมอะไรๆกันบ้างเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มีประโยชน์นะอย่างน้อยๆก็อดลดอัตตามาอีกระดับหนึ่งมาเล่นกันไม่ถือตัวถือเนอแล้วรา ก, เรา ก, เราก็เราก็มีความสามคัคคีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ว่า มันช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ลึกๆแล้วไอ้ตัวอัตตาเนี่ยมันยังอยู่ข้างในนะที่เรามาเวียงามาเต้นอะไรเนี่ยเราพยายามจะมาล้างคิดต้นเหตุของมันนะภาพพิธีเื่งนี้ก็ดีมากนะก็เจตนาก็ให้มารู้แค่ว่าอะไรคืออุปทานทีนี้วิทยาศาสตร์เราปฏิเสธเรื่องนี้นะเราเอาแต่เรื่องรูปธรรมอุปทานก็คือนามมาทำไงไไมท่านทุกข์มาก เพราะตำแหน่งหน้าที่ต้องทําหน้าที่ต้อง s p e e ต้องไปพูดอะไรแล้วทีนี้พอขึ้นไปเนี่ยอย่างพวกเราถ้าเคยไม่ถ้าคุณครูเนี่ยใครก็ช่างคุณครูนี่ก็คงอ่อนหน่อยหนึ่งเพราะเราเป็นผู้สอนอยู่แล้วเราต้องสอนกับเด็กๆ เ, เนี่ยนะหลายอาชีพนะนะไม่เคยถือไมล์เลยขึ้นมาก็สั่นเลยเห็นไหมมันเป็นอุปทานอะ่ะมันกังวลอะ่ะนะนั่นแหละคือไอ้นี่เราต้องล้างมันเราก็ต้อง ทำในสิ่งที่มันไม่กล้าทําทําไปทํามาเราก็ล้างอุอปทานตรงนั้นนะ อ, นนอันนี้ตัวอุปทานหนึ่งนะส่วนอีกอันหนึง่งที่เต้นแล้วก็หมอเป่าเล่นโยคะไ อ, อ้หมอหมอยาเล่นโยคะคุณหมอเป็นทันตแพทย์กับหมอเป่าแล้วก็เรามีหมอหญี่คนนึงจากชนบุรี เ, เขาจะมาศูนย์นี่เดือนหนึ่งเจวันนะมามามาดูแลเด็กๆแล้วก็ดูฟันอะไรคนแก่ที่นี่เพราะว่าตอนนั้นหมอก็เครียดมากนะ หลังจากเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยมันแสดงโยคะอะไรร่างกายก็แข็งแรงขึ้นอารมณ์ก็เย็นลงนะชีวิตก็ดีขึ้นนะก็แบ่งปันเวลาทีนี้แบ่งปันเวลาไรายได้เราไม่ได้หายไปไหนหมอก็ฉลาดขึ้นที่อายีก็ฉลาดขึ้น <c oughs> วันไหนจะปิดคลินิกมาที่นี่ปุ๊บเราก็นัดคนไข้เลื่อนไปนะแล้วก็แบ่งปันเวลาเรามันก็มันก็เหมือนเก่าใช่ไหมยิ่งให้ก็ยิ่งได้ก็ เราให้ความสำคัญกับชีวิตละเอาเวลาว่างมามาบิวอัพมาทำให้ตัวเองแข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาล่ะไม่มีปัญญาทำไม่ได้นะเห็นไหมอาจารย์สอนโยคะมาเนี่ยไม่เห็นเลยทำได้อย่างไรทำไม่ได้โยคะสังเกตไหมเขาทาเขาทาทีละท่าฝึกทีละท่าทีละท่าทีละท่าแยกซอยอันนี้เขาบูรณาการเลย เห็นหข้างนอกเราเหมือนเขานิ่มๆอะไรนะไม่ใช่ทำง่ายนะยิ่งท่านิ่มๆแตข้างในใช้พลังมหาศาลเลยนะอันนี้คือมันเป็นสมาธิเป็นสมถะนั่นแหละลือสีดัดตนเนี่ย ล, ลัทธิือสีสมัยก่อนเขาห่วงแต่เรื่องกายภาพเขาอยู่ที่กายเหมือนเราฝึกพุโทโธยุบหนอพองหนอนะถ้าอยู่แค่นั้นมันไม่ใช่ทาง้นทุกผู้เจ้าต้องไปชี้ทางให้พระองค์ไปเจอวิปัสสนา แต่ไอตัวนี้เป็นตัวกำลังหนุนให้จิตเรามีกำลังดำเนินมรรคจิตต่อไปนะฮะและเราไม่ต้องสั่งมันพวกครูบอกแล้ ว, ว่าอย่าใช้สมองงงๆของเราไปสั่งจิตเด็ดขาดปล่อยให้เขาดำเนินเราเรียนรู้กับเขานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องจีง้กงพระอรหันต์จี้กงเนี่ยเมาทั้งวันตัวเมาแต่จิตไม่เมา พระพุทธเจ้าเคยเตือนว่าให้ละเว้นดื่มเครื่องรองดองของเมาไม่ใช่ให้ห้ามนะละเว้นเพราะว่า 99% กินเข้าไปแล้วก็เมาขาดสติแต่อรหันจี้กงเนี่ยยิ่งเมาเท่าไหร่นะคือมันมอมสมองซีกซ้ายเนี่ยไม่ให้ควบคุมจิตจิตยิ่งเกิดยานรู้แต่อย่าเรียนแบบที่นี่มีนะักเกิลนี่จีก้กงช่วงช่วงช่วงนี้แกแกผ่านนั้นล่ะ แกอยู่จี้กงแปปีนะใครมานั่งเฉยๆเหวี่ยงไม่ได้แกไปจิ้มทีเดียวกิ้งเลยเขามีพลังตรงนี้แล้ววันที่แกเมาในสารานะบางทีเป็นสายแกนะแกเดินไปแกเกอกเล่าไม่มีนะอากาศเนี่ยกากปุ๊บเมาหมดแกไปสปาร์กเอรแกรมที่มันเรียนวิชาจี้กงมาด้วยกันนะเรื่องเรื่องนี้มันเหลือวิสัยที่เราจะไปคิดแบบวิทยาศาสตร์นะ เพียงแต่ว่าเราที่นี่เราไม่ติดมันไม่ติดผ่านมันเป็นมันเป็นวิถีมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่อดีตมันบันทึกเป็นสัญญาเก่าไม่งั้นเราจะเล่นโยคะอย่างนี้ได้เลยอันนี้แสดงได้ไหมแสดงยังไงก็แสดงไม่ได้เห็นไ้มนี่มันมหาห์สจั์แล้วทุกดวงจิตนี่มีอยู่แล้วมีของดีอยู่แล้วอยู่ที่ว่ามันจะแสดงออกมาเมื่อไหร่แต่และคนมีโปรแกรมหลักของตัวเอง ทำไมจี้กงท่านกินเหล้าทำไมเราต้องเวียงหมุนจิตมันหมุนเราทำไมมันหมุนเนี่ยให้เราเมาเห็นไ้ยเราอาเจียนกันเห็นไหมถ้าเราไม่เมาเราไม่ยอมอาเจียนมันดีท็อกอะ่ะในขณะเดียวกันมันทำให้ไอ้สมองข้างนอกเนี่ยสติข้างนอกเนี่ยมันไม่ควบคุมจิตจิตมันก็ตื่นขึ้นมานะของเราไม่ต้องพึ่งเหล้าใช่ไหมแรกๆสตาร์ทให้มันติดก่อนเดี๋ยวจิตมันรู้เองว่ามันจะทาอย่างไรนะ ก็อาจารย์อานั้นเจริญสติฝึกสมาธิเจริญสติทีละเก้านะอาลาหันจี้กงเนี่ยทำหน้าที่เดินก็เดินสิไปฝึกทำไมเห็นไหมพวกเราเต้นก็เต้นลําก็ลําอะไรเนี่ยอันนี้ฝึกอยู่ตรงนั้นแหละและจะไปบังคับจี้กงเนี่ยไปอยู่ในถ้ำนั้นสามเดือนนั่งดูขาตัวเองนี่นะจี้กงว่าไปนั่งดูขาตัวเองแล้วมันจะเดินตรงจริงๆเหรอ ทีนี้อย่าไปเรียนแบบเพราะว่าจี้กงไม่มีมารายาทจี้กงเมาทั้งวันแต่จี้กงไม่มีเจตนาไม่แต่นิดหนึ่งจะไป็ลังแก่ใครแต่ที่ว่าเห็นไหมแก้งจะไปช่วยอาจารย์อาเนี่ยปุ๊บไม่ช่วยศาสตร์จี้กงทําให้เราเห็นอารมณ์เราเราฝึกมาตั้งนานแล้วดูขาตัวเองตั้งนานแล้วทําไมโกรธอ่ะมาเนี่ยนักเก็งเนี่ยวันนั้นแกแกเวียงแกกิ้งกิก็จะไป ไ ป, ไปแตะๆพวกเราให้พวกเรากลัวนะคือคือนั่นคือนั่นคืออุบายเขาเขาจะแย่ให้เราเห็นอารมณ์เรานะมันมันถึงว่าเราก็เห็นว่านานาจิตตังมันไม่เหมือนกันหมดแต่ที่นี้เราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นเถรวาทมีไม่กี่อย่างหรอกนับได้เลยพุโทโธยุบหนอพองหนอไอ้ธรรมกายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ผิดมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง ถ้าเราออกไปทั้งโลกนี่ไปอินเดียไปไปเมืองจีนไปญี่ปุ่นอะไรโอหพุทธศาสนาเรากว้างใหญ่ไพศาลบ้านเราพระพระภิกษุมาที่นี่ศูนย์ก็ถวายชุดคลายกังวลคือใส่กางเกงใส่เสื้อเพราะมันเคลื่อนไหวอะลองใส่จีวรไปกิ้งกิ้งมันก็กล้าหรือเปล่ามันก็ติดไงเห็นไหมถ้าเราไปมองในรูปแบบว่าเฮ้ยผิดวินัยแล้วอะไรเนี่ย เวลาท่านสงน้ำเนี่ยท่านจะใส่จีวรไปสงไหมก็มีมีผ้าอาบน้ำนะไม่ฉีที่นี่อวกลางวันทำไมใส่สีดำนะกลางคืนใส่สีขาวอะไรเนี่ยนะวิธีเราเนี่ยลองใส่สีขาวเนี่ยนะนะกิ้งกิงกิงมันก็ดำหมดอะและ้วไม่ฉีกลางวันก็ทำงานนะคือคือเราตามเหตุปจัจจัยเราไม่มีลัทธินิ้ก่นะส่วนเวลาทําพิธีต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ทาลายสมบุิบัญญัติ แต่ถ้าเราไม่เราเร า, เราไม่ข้ามพ้นไอ้บ่วงวิธีการต่างๆจิตไม่มีทางอิสระเราต้องอยู่เหนือสมมติบัญญัติแต่เราต้องไม่ทําลายส ม, มบัญญัติคําว่าทําลายคือมีเจตนาจะทําให้มันเสียหายนะถ้าเราทําลายส ม, มุบั ญ, ญัติเนี่ยเขาก็เกียดเราเนี่ยก็คือว่ามันก็เป็นกรรมนะที่ศูนย์เนี่ยสำหรับพระครูเราไม่ต้องระวังเพราะจิตมันไม่ทําชั่วแน่นอนแต่ว่ามันก็ไม่ติดบ่วงไอ้รูปแบบ อะไรๆนี่นะเรารู้ว่าเขาใช้อุบายอย่างนี้เป็นยังไงยังไงเรารู้มีประโยชน์หมดแต่ถ้าเป็นหลงอุบายเมื่อไหร่หลงเทคนิคเมื่อไหร่เนี่ยก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนแลาไม่มีอิสระนะก็วันนี้ก็มีโอกาสได้ดูแล้วก็แลกเปลี่ยนนะจี้งง เ, เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งซึ่งถ้าไปพูดถึงเทรวาสเราเนี่ยผิดศีลแล้วกินเหล้าผิดศีลแล้วองคุลิมานผิดศีลไหม ใช่ไม่ได้ฆ่าสัตว์นะฆ่าคน999้าราทำไมบรรูุเป็นอรหันต์ได้ในชาติเดียวกันน่แหละชาติสุดท้ายอ่ะนะนะกชีเจตนาทหารสองคนเนี่ยออกไปลบสึกคนนี้ยิงคนตายบาปคนนี้ยิงคนตายไม่บาปแม่ค้าเชือดไก่สองคนคนนี้เชือดไก่บาปคนนี้เชือดไก่ไม่บาป เอาทำไมเลือกที่รักมักงที่ชังทำเหมือนกันทำไมคนที่บาปคนนี้ไม่บาปทหารคนนี้ยิงปุ๊บสะใจบันทึกสัญญาละทหารคนนี้มีทําหน้าที่ยิงเขาไม่ได้ฆ่านะลูกปืนไปฆ่าเขาไม่ได้ยินเดียเข้าทําหน้าที่มันใช่ไหมเจตนานะส่วนแม่ค้าคนนี้เนี่ย มีทาหน้าที่เป็นลูกน้องเขาก็เชื่อดอางนั้นไม่ได้ยินดียินไลยทำหน้าที่เราส่วนคนนี้เชื่อดเพราะความมั่งคั่งอยากรวยหรือเกียดชังมันเนี่ยบันทึกเต็มเต็มเหมือนพระอาหารหันเนี่ยเดินมาที่ศูนย์เนี่ยเห็นไหมบางทีท่านเหยียบมดตายทั้งหลายตัวนะแต่ท่านไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้าเราามดมาตัวหนึ่งบันทึกเต็มเต็มเลยนะเนี่ย เจตานาก็คือมีตันหามันจะบันทึกสัญญาจริงๆ ต, ตายแล้วไม่จบไอ้สัญญาตัวนี้ก็ข้ามภพข้ามชาตินะอย่าไปดูเพลินๆนะเพราะครูเคยยกตัวอย่างว่าบางทีนี่ทุกคนนั่งอยู่ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งนะเพราะครูผลักเขาล้มไปทุกคนเห็นหมดเลยตำรวจมาชี้เลยคนนี้ผลักเด็กมันก็ลุกขึ้นมาก็ชี้ตัวเลยเพราะครูเป็นคนผลักจับพ่อครูไปขังคุกเนี่ยทุกไมไม่ได้ทุกอะไร ทำไมงูมันจะกัดเด็กคนนั้นเนี่ยไม่มีใครเห็นเลยเพราะคูช่วยชีวิตมันถึงว่าบางครั้งอย่าเชื่อสายตาตัวเองมากเราต้องดูถึงเจตนาของเขาเห็นมแล้วไปสร้างกรรมจิตทึ่บริสุทธ์นะเนี่ยเหมือนเราเราเฟี้ยงบุงมแมลงเนี่ยขึ้นไปบนอากาศถ้ามันไม่ชนอะไรมันจะกลับมาถึงตัวเราเนี่ยกรรมมันย้อนกลับใช่ใช่นะ เพราะบางครั้งเห็นอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนิ่งเฉยตำลึงทองเราก็ไม่ต้องสร้างกรรมดูให้มันถองแท้ก่อนนะเนี่ยเมเห็นเฮ้ยทำอะไรลทัทธิอะไรสมมุติว่ามีมีแอรสเตสคาเทสมากลุ่มหนึ่งวันแรกมานั่งคุยก็เห็นเราเต้นเราร้องอะไรๆเนี่ยเห็นพ่อคูแต่งตัวแบบนี้เ็าบอก ok พวกครูเนี่ยพวกคูลัทธิอะไรพวกครูถามว่าลัทธิมันคืออะไรรู้ไหม ทุกคนต้องทำตัวเหมือนกันคิดเหมือนกันการเป็นอยู่เหมือนกันกินข้าวมื้อเดียวเหมือนกันหรืออะไรก็ช่างห้ามคิดนอกกรอบนั่นคือลัทธินิกายทีนี้มันไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งไม่มีข้อบังคับชักชักข้อหนึ่งมันจะเป็นลัทธิได้อย่างไรแล้วก็กลับย้อนถามว่าคุณทํางานอะไรเออเป็นคาเทสแปรซิฟิกนั่นอั น, นเขาเรียกว่าลัทธิอะไรไหมเขาเรียกว่าทุนนิยมทำไมทำไมยอมรับมันไม่ได้ผิดอะไร แ, แต่ทีนี้ไอคนที่มีลัทธิเนี่ย เขาจะกลัวลัทธิอื่นมากเขาจะกลัวเพราะจะไปทําลายลัทธิเขานั่นแหละคือลัทธินิกายที่นี่ไม่มีลัทธินิไก่นะถามพรอกูเรามาใช้ชีวิตมันเป็นวิถีเรานะถ้าพูดว่าเป็นวิถีเราเราเราดำรงชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่นับถือพระ อ, องค์เฉยเฉยเราเอาชีวิตเรามาทําเลยที่นี่มันไม่ใช่ลัทธินะ ส่วนลทัทธินิกายแยกเป็นอะไรอะไรนี่คริสก็แยกนะนะบางทีเขาก็นับถือเจ้าแม่มาเรียบางทีนับถือพระเยซูอะไร <c oughs> เลยมันก็ไม่ได้ผิดมันเป็นความศรัทธาไม่เหมือนกันถ้าสุดท้ายเนี่ยเน้นให้คนทำดีก็ ก, ก็ดีแล้วนะเพียง <c oughs> แต่ว่าพวกกูแลกเปลี่ยนจริงๆแล้วทุกศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนให้ชั่วหมดพ่อคูกลับมาช่วงหนึ่งรู้สึกสองปีกว่า น้องดอนตอนนั้นรู้สึกสองแกมา6เดือนนะอุ้มมาจากอเมริกานะตอนนั้นแกสองขวบกว่าเออพากลับไปบ้านเกิดมังนอนเขาไปไปเยี่ยมเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนนอกศาสนาที่สนิท ก, กันมากเขาก็มาคุยสมัยก่อนพ่อคูไม่รู้เรื่องศาสนานะเขาบอกทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดีพ่อ ก, กูบอกใช่แต่พุทธเราไม่ใช่แค่นั้นศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดี ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเป็นคนชั่วศาสนาพุทธสอนให้เราพ้นทุกข์เป็นคนดียังทุกข์อยู่พอเขาว่าไม่ดีปุ๊บเนิเป็นก็คืออัตตาผู้เจ้าสอนให้เราทำดีทำแค่พอดีแต่ไม่ติดดีแล้วก็ละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสนั่นแหละระดับวิปัสสนานะเราทำดีต้องทำดีทำดีแค่พอดีแต่ไม่ไปติดดีนะ ทำดีจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั่นอันนั้นติดดีแล้วมันไม่ใช่ดีทำแค่พอดีนี่คือทางสายกลางนะก็ขอให้เราปฏิบัติเรื่อยๆเถอะอาจารย์เราตื่นแล้วหลายท่านนะที่เราเข้าไปในจิตแล้วแล้วเนี่ยต่อไปก็คุยกับอาจารย์เราอาจารย์ของแต่ละคนต้องไม่เหมือนกันเดี๋ยวเขาก็ประศาทตรวิชาที่เขาถนัดที่สุดมาให้เราอย่าไปเรียนแบบ จิตเราฝึกมาไม่เหมือนกันคําว่าคําว่าจริตตอนนี้เราไม่เราเข้าใจว่าเคยไปนั่งเงียบๆนิ่งๆแล้วมาเห็นเออไม่ถูกจริตฉันอันนี้ไม่ใช่จริตนะไอ้นี่คือกิเลสชาตินี้เราเคยชินเฉยๆจริตจริงๆต้องเข้าไปในจิตจิตเดิมเรารู้ว่าจริตแบบไหนมันก็เอาตัวนั้นมาสอนจิตปัจจุบันนั่นคือจริตจริงๆข้างนอกเราคุ้นเคยแบบนี้เราก็บอกจริตเราใช่ไหมไม่ใช่จริตความคุ้นเคยนี้เป็นกิเลส นะเรากินข้าวคนไทยเรากินข้าวเป็นกิเลสความเคยชินแต่ถ้ากินตามกิเลสไม่เนื่องด้วยตัณหาไม่เป็นไรถ้ากินจากตัณหาจากความอยากเพราะมันอร่อยเนี่ยนะมีเรื่องมันบิจเบนามันบันทึกและอร่อยอร่อยแล้วมันก็อยากอร่อยอีกนะวันไหนกินข้าวอร่อยปุ๊บหยุดกินเลยนะอย่ากินถ้ากินไม่อร่อยอกก็หยุดกินอีกเดี๋ยวมันจะทุกข์กินเพราะกิน กินเพราะกินกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะนะกินกามเกล็ดนะกินเนี่ยนะหนึ่งต้องรู้ว่ากินอะไรแค่พอดีเราถ้าเรากินน้อยเกินไปมันไม่อร่อยนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมันหิวก็ทุกข์ละอร่อยมากกินมากไปเดี๋ยวท้องอืดก็ทุกข์อีกแล้วเห็นไหมท้องอืดท้องร่วงอ ะ, อะไรเนี่ย แต่ละคนมันมีอินทรีย์ไม่เหมือนกันมีวิบากมันไม่เหมือนกันนะแต่เรามีสติปุ้บเราต้องรู้ว่าอาหารอะไรเหมาะกับเราและที่สำคัญต้องปฏิบัติเยอะๆนะเดี๋ยวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะล้างหมดนะอุปทานที่ทำให้ท้องอืดท้องอะไรเนี่ยมันจะหายหมดนะการย่อยอาหารเราจะดีขึ้นนะการขับถ่ายก็ดีขึ้นนะดีขึ้นหมดนะนี่ก็คือเมื่อร่างกายจิตใจเราแข็งแรงแล้วเนี่ยอารมณ์เราก็ดี บางคนเข้าใจผิดว่ามีมีคำถามอยู่นะก็หลังจากมาประจัดปฏิบัติโปรแกรมนี้ทำไมเอ้มีอารมณ์แรงขึ้นอารมณ์ไม่ได้มากขึ้นนะอารมณ์มันไม่ได้มากขึ้นมันน้อยลงแต่เราเห็นชัดขึ้นและช่วงแรกๆเป็นแบบนี้เพราะว่าเราปลดปล่อยมันเนี่ยถ้าเราเผลอปุ๊บเราจะปลดปล่อยเลยนะเราก็ต้องมีสติคุมมันก่อนที่ผ่านมาเนี่ย เรากดอารมณ์ไว้โดยมารยาทเรากดมันไว้เฉยไม่ใช่เราไม่มีอา ร, อรมณ์ น, นะเครียดนะพราะเราปลดปล่อยปุ๊บบางทีเราเคยชินมีอะไรเราก็ปล่อยออกไปเลยเราคิดว่าเราอา ร, อรมณ์แรงขึ้นมันไม่ได้แรงขึ้นแต่เราเห็นมันชัดนะก็ช่วงใหม่ๆเนี่ยต้องใช้สติควบคุมตัวเองหน่อยโอเคนะได้เวลาละบ่ายสองโมงเ<ม>ข้าห้องน้ำครับแล้วก็เดี๋ยวมาปฏิบัติต่อ